ซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่พึงปรารถนาสีลมีหลายประเภทนับแต่สีลหศสิล8ปสิลสถึงสีล227ตามประเภทของบุคคลที่ควรจะรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตนเฉพาะสีลห้าเป็นสิลที่จำเป็นที่สุดสำหรับขรวาดผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้นจึงควรมีสีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน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 ยึดถือจากใจดวงรุ่มหลงนี้ทั้งสิ้นเพราะอำนาจความจับจองยึดถือเป็นเหตุใจอวิชชาดวงนี้จึงเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนไปได้ทุกกำเนิดไม่ว่าสูงต่ำดีชั่วในพบทั้งสามนี้แม้จะแยกกำเนิดของสัตว์ที่ต่างกันในพบนั้นๆไว้มากเท่าไหร่ใจดวงอวิชชานี้